ยังมีข้อความยักเยื้อออกไปอีกหลายอย่างซึ่งแสดงว่าความยึดถืออัตตาสักกายะทิฏฐิและมิจฉาทิฏฐิต่างๆหลายอย่างเกิดขึ้นเพราะความถือมั่นเห็นผิดในขันห้าอย่างนี้ในปาลิเลยสูตรสังยุตติกายขันธวารวักพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายรมเราแสดงไว้แล้วโดยวิจัยคือแสดงสติปัฏฐานสี่สำ ม, มัปปทานสี่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 เธอก็รู้ชัดปฏิคานุสัยที่มีในกายและในทุกขเวทนาก็จะถูกละเสได้เมื่อพิสูจ์มีสติมีสัมมชัญญะอยู่อย่างนี้ถ้าเกิดเวทนาที่ไม่ทุกขไม่สุขขึ้นเธอก็รู้ชัดอวิชานุสัยที่มีในกายและในอทุกขมสุขเวทนาก็จะถูกละเสได้